ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องรับลูกติให้เป็นโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่27ตุลาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ซึ่งอันนั้นจะเป็นเหมือนกับจารีตประเพณีอย่างหนึ่งของศาสนาพุทธจะช่วยได้เยอะเพราะโดยกิเลสคนเราเนี่ยไม่อยากให้ใครมาตีเราเพราะว่ามันไม่สนุกติไม่สนุกกันนะโดนตินี่ต้องต้องฝึกครับวันนั้นก็ผููให้ฟังทั้งว่าผู้ที่ไปติเขาก็ต้องฝึกห้าข้อจําได้น ะ, ะส่วนผู้ที่โดนติ นะหรือว่าโดนตําหนิเนี่ยก็จะต้องหัดรับซึ่งรับมีสําคัญนะติเขาเนี่ยยังไงคุณเป็นคนเป็นฝ่ายติเนี่ยยังไงคุณติไปแล้วบางทีคุณก็ไม่ได้ใส่หัวสมองอะไรนักหนาหรอกใช่ไหมแต่ไอ้โดนตินี่สิถ้าคุณรับไม่เป็นนี่ทุกเนะี่ยลำบากเลยแล้วนอนไม่หลับแต่วันนั้นที่เทศไปส่วนใหญ่จะค่อนไปในทาง พูดเรื่องการตาหนินะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยหัดหัดตําหนิและคนอื่นเนี่ยเขาจะได้รับไหวก็พูดพูดจุดนั้นซะเยอะแต่จริงๆ จ, จุดที่สําคัญกว่าก็คือการโดนตาหนิเนี่ยนะแล้วรับให้ได้อันนี้สําคัญมากๆเลยใครที่ไม่หัดรับคําติให้ได้เนี่ยนะหรือพอท่านก็ใช้คําว่าดื่มพอท่านใช้คําว่าดื่ม คำตําหนิเนี่ยใครดื่มไม่เป็นใครมาดื่มนี่หมายถึงว่าพอเขาว่ามาแล้วใช่ไหมแล้วเราดื่มคําตําหนิไม่เป็นเนี่ยมันเป็นไงถ้าดื่มไม่เป็ น, ปนอืเขาช็อกออกมาพวกออกมาหมดมันกินมันกินไม่ลงเลยดื่มไม่ลงไม่ก็สล บ, ม, สลบมันถ้าแรงมากมากดีตายได้เลยนะโอ้ตอมใจตาย รับไปแล้วนี่โอ้โหไปทุกข์ไปกุ้มไปทรมานใจยนตายเลยแล้วส่วนใหญ่สังเกตไหมที่บางทีเนี่ยเราจะเราจะโกรธเราจะโมโหหรือว่าเราเราแบบว่าทนไม่ได้อะไรต่ออะไรไม่ไหวนี่นะจะมีปัญหามีเรื่องมีราวเนี่ยเพราะเรารับไม่เก่งไอ้ส่วนตาหนิเขาไม่เก่งเนี่ยมันก็เราเป็นคนตาหนิมันมันไม่เท่าไหร่ใช่ไม แไอ้ถ้าเราเป็นคนรับนี่สิออืรับไม่ได้นี่นะยิ่งใครเป็นสายโทรศัใครที่เป็นสายโทรศัทเนี่ยรับไม่เป็นนี่นะโอ้โหสวนทันทีเลยอ่ะบางทีเขายังไม่ทันตาหนิเลยเขาแค่พูดขัดแย้งหรือพูดความขี้เห็นแตกต่างทังนทีขึ้นแล้วขึ้แล้วเราก็อัดกลับเลยครวนี้เพราะฉะนั้นการรับนี่ยากกว่ายากกว่า เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่ไม่ค่อยฝึกหัดรับคําตําหนิซึ่งซึ่งอันเนี้ยนะส่วนใหญ่ทำไมไม่ฝึกหัดรับเพราะว่าไม่ชอบอ่ะไม่มีใครชอบโดนติมันไม่สนุกอย่างที่ตะกี้บอกมันไม่น่าเรื่อนลมไม่น่าไม่น่าบันเทิงใจอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากรับแล้วก็ไม่มีใครอยากฝึกด้วยเพราะว่าเรื่องอะไรอ่ะอยู่ดีๆเรื่องอะไรจะให้ใครมาติเรา แต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ที่บอกว่าเราต้องฝึกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็นะเที่ยวไปทําผิีๆพลาดๆแล้วให้คนเขาติเราไอ้นั่นไม่ถูกนะนั่นไม่ใช่แต่ที่เราบอกว่าหัดฝึกรับคําตําหนิก็คือหัดภาวณานี่แหละคุณหัดภาวณาไปบอกสมมติเราอยู่ใกล้ใครนะอย่างเช่าวันนั้นก็เล่าให้ฟังแล้วว่าอย่างเข้าพรรษาสามเดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมพาภิกษุพอออกจากพรรษาวันสุดท้ายของการออกพรรษา พูะเจ้ากำหนดไว้เลยว่าจะต้องถามเพื่อนฝูงที่ที่อยู่มาด้วยกันเนี่ยภายในสมเดือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือว่าระแวงสงสัยอะไรไหมเราไปทำผิดพลาดบกพร่องอะไรไหมนะเราพร้อมที่จะให้ตำหนิเราแต่ยังไงก็ตำหนิด้วยความเอ็นดูนะ <c oughs> แล้วก็พร้อมที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขเนี่ยพระเจ้าท่านสร้างเป็นจารีปรเพณีอย่างนี้เลย วันถ้าเป็นภิกษุของศาสนาพุทธแล้วทุกครั้งถ้าออกพรรษาก็จะต้องไปปรนารณากับเพื่อนฝูงบอกว่าพูดง่ายนะคือช่วยตีผมหน่อยฮช่วยติผมหน่อยผมมีอะไรบกพร่องผมมีอะไรผิดพลาดบ้างนี่แหละเนี่ยนะก็เป็นการฝึกฝึกให้ให้รับคำตำหนิพอบอกแล้วอยู่ดีๆใครใครอยากจะไปรับอะ เพราะฉะนั้นท่านเลยใช้เป็นจารีตอย่างนี้ขึ้นมาเลยว่าเอา้าอยู่ด้วยกันมาเอาให้ให้ให้ตําหนิเราได้แล้วตอนนี้เมื่อเราไปขอคนอื่นเขาอ่ะบอกว่าตําหนิผมได้นะคราวนี้ก็ต้องรับสิใช่ไหมถ้าอยู่ดีๆเราไปตีใครเนี่ยโดยที่เขาไม่ขอเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมหรือว่าเขาอาจจะไม่รับอะไรเลยก็ได้แต่อันนี้แสดงว่าเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวหรือเตรียมใจเรา เพื่อที่จะไปขอให้คนอื่นบอกช่วยติหน่อยนะปิดพ้ายังไงก็ติติงว่ากล่าวมาได้นั่นแหละเราก็จะปะนมมือด้วยนะจะยกมือถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือหรือถือว่าถ้าเป็นพระเนี่ยก็เรียกว่าพันเตคือผู้ที่บวช ก, ก่อนอายุพรนษานะไม่ใช่อายุทางอะไรอา่า ตั้งแต่เกิดอ่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่อายุทางร่างกายอะไรพวกนี้แต่เป็นอายุพรรษานั้นก็เรียกว่าพันเตถ้าสมมุติว่าเราไปขอให้พันเตติเราเนี่ยผู้ที่ขอเนี่ยเป็นผู้น้องก็จะยกมือรับยกมือปนมด้วยส่วนพันเตเนี่ยติมาพันเตก็ไม่ต้องพันเตก็พูดได้เลยก็ติเลยจะบอกกล่าวจะไงก็ติมาแต่ส่วนถ้าผู้ที่เป็นคราวนี้ พี่พี่ขอน้องหรือว่าพี่บอกกับน้องว่าอ่าผมบิดลาจอยังไงก็ตีผมนะพี่นี่ไม่ต้องยกมือรับถ้าเป็นพี่นะพี่ก็ก็นั่งธรรมดาเฉยๆปกติแต่ส่วนน้องคนนี้น้องที่จะให้พี่น้องจะให้พี่ต้องยกมืออไม่ต้องขอโทษให้ได้เลยเพราะว่าพี่ขอมาแล้วให้ได้เลย นะก็จะตียังไงกติไปแต่บอกแล้วว่าจะติก็ควรด้วความเอ็นดูหรือว่าห้าข้อที่ที่บอกไปว่าผู้ที่ติค น, คนอื่นควรจะมีคุณสมบัติห้าข้อนี้ซึ่งครูเจ้าท่านก็แนบไว้หมดแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกคนเราเนี่ยฝึกฝึกโดนติโดนว่าบ้างเนี่ยนะมันจะทาให้เป็นคนที่ไม่อ่อนแอไม่วันไหวอะไรง่าย ใ ห, ให้ทวน5้าข้อมาอ้าวใครจำได้บ้างเอา1นห้าข้อหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งต้องรู้กาลเทศะจะตีคนเนี่ยต้องดูกาลว่า ม, มันเหมาะไหมไม่ใช่เขากำลังกินข้าวเหลรอร่อยจะขอตีหรอจ้ะแม่ <sk ill>: <c <c <oughs> หรือว่าบางทีเขากำลังเศร้ารโศกเสียใจเนี่ยเอาเลยไปซ้ำเขาเลยโอ้ยอย่างนี้ไหวที่ไหนละ่ะ เขาก็จะย่ําแย่อยู่แล้วคุณยังจะไปติอะไรตอนนี้นะหรือไปติคนตอนง่วงๆอยากจะหลับเต็มทนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วพูดก็ไม่รู้เรื่องเนะพราะฉะนั้นก็ต้องดูกาละเทศะว่าเออมันเหมาะที่จะติไหมนะหรือวันนั้นก็ยกตัวอย่างว่าเออย่างสมณะหรือพระท่านฉันอยู่อย่างเนี้ยบางทีเราก็ขอให้คุ้ทรัพย์ท่านหน่อยนะให้ท่านฉันเสร็จก่อนก็ได้ <laughs> อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะ ข้อที่หนึ่งี่คือรู้กาลเทศะเอาข้อสองตีด้วยคำจริงคำที่ถูกต้องอย่าอย่าเติมสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรมากนักนะอย่าอย่าป้ายสีทำคำเป็นจริงนะเราจะติใครเนี่ยเขาผิดพลาดเขาบกพร่องแค่นี้ติตามตามจริงนี้หรือจริงๆแล้วอาตมาเคยบอกไ ป, ปบ่อยผู้เจ้าสอนว่าจะติคนเนี่ย สู่งว่าเขาผิดเขาผิดแนะ่แปดสิบนะเขาผิดแปดสิบตีเขาเนี่ยไม่ควรตีถึงแปดสิบตีที่ห้าสิบหรือว่าสี่สิบอะไรเงี้ยตีเขาน้อยหน่อยก็ได้ไม่ต้องตีเต็มที่หรอกถ้าตีคนอื่นนะส่วนถ้าจะตีตัวเองเนี่ยติให้เต็มร้อยหรือมากกว่าร้อยก็ได้ถ้าจะตีตัวเองนี่นี่เป็นวิธีการติที่พระเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยเพราะเวลาเราพูดความจริงเนี่ย แต่ความจริงบางทีมันโอ้โหมันบาดเสียหัวใจเกินไปนะหรือพูดไปแล้วเขาเสียหน้าเขาจนกระทั่งมันหนักนาสาหัสส า, สสาการเกินไปเราก็รู้ว่าไอ้ความจริงที่จะพูดมันมันพูดได้แค่ประมาณนี้เท่า น, นนะแล้วเขารับได้ถ้าพูดเกินกว่านี้บางทีแตกหักทะเลาะ ก, กันเลยเกียดชังแค้นเคืองกันเลยเอ้อยางงี้ก็ไม่ไหวสินะอันนี้เนี่ยต้องพูดความจริง อย่าให้เกินอย่าใส่ไขนะ่จริงจริงเราก็กินอาหารแบบธรรมชาติหรืออาหารพยายามลดลดการปรุงแต่งอยู่แล้วนะเพราะนั้นตีใครก็ลดลดหน่อยไม่ต้องไปใส่เกลือใส่ซีอิ๊วใส่เปรี้ยวหวานมันเผ็ดอะไรนักหรอกนะลดลดลงมาบ้างอันนี้มันจะเป็นการเหมือนกับให้เกียรติเขาเหมือนกับว่ายัางยังยกย่องอยังเกรงใจมันทาให เขาก็จะรับได้นะเขาก็จะสัมผัสได้ทำให้เขาเนี่ยจะไม่ไม่มาถือสาหรือว่าไม่มากดเคืองอะไรเรานะอันนี้ก็จะเป็นคำจริงอ้าวสามอ้าวสุภาพสุภา พ, ภาพไม่จาเป็นต้องโหใช้คาหยาบคายไม่จาเป็นต้องใช้คำก้าวร้าวรุนแรงอะไรนักหรอกถ้าติกันแบบ ภาษาธรรมดาเนี่ยใช้ได้ก็ก็ติได้แล้วเพราะจริงๆติเขาเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันก็เหมือนยาขมอยู่แล้วอะ่ะแล้วยิ่งถ้าบวกภาษาที่รุนแรงเข้าไปอีกไปไงโอ้โหก็ยิง่งเข้มข้นยิ่งหนักข้อกินไม่ลงเลยนะยาเนี่ยถ้ามันขมเกินไปนี่พอเขากินแล้วไปไงโอ้พกินเข้าไปก็พ้นออกมาเลยแหละ เขาไม่รับเลยแล้วถ้ามันมันเกินไปเนี่ยมันถึงถึงบอกว่าเราก็ต้องประมาณให้ดีด้วยอันเนี้ยนะว่ามันก็ควรจะเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละไม่ต้องไปหวือหวาทันสมัยอะไรโหจะต้องอย่างนั้นอย่างงี้นะให้มันเบิ่วเบิ่วให้มันเกิ น, นเกินให้มันแรงแรงไม่ต้องหรอกนะหรือบางทีก็โหมะนาวไม่มีน้ําเลยก็ด้างอะไรเงั้นนะเอาสามแล้วเอาซี นี่แค่คร่าวๆพูดแค่คร่าวๆประโยชน์สีนี้ถึงจะเป็นประโยชน์พูดไปแล้วเป็นประโยชน์หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเป็นคำจริงก่อแล้วเอเอถูกกระเทสะก็แล้วนับเป็นคำสุภาพก็แล้วแต่บางทีพูดไปแล้วไม่ไม่เป็นประโยชน์เลยเขาอยู่ในสภาวะที่จะมาบอกเขาอยู่ในสภาวะที่เขาไม่รับอะต่อให้คุณพูดมาดีหมดเลยนะสามข้อต้นเนี่ยคุณ ได้หมดเลยนะแต่ข้อเนี้ยคือเขาไม่รับตอนนั้นนะเขาอาจจะสมมติว่ามีสมาธิมากในการทํางานนะคุณพูดไปคุ้นไปเนี่ยเขาไม่สนใจเลยเขาไม่ฟังคุณเลยเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์เพราะอันนี้จะต้องดูด้วยหรือพูดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่คิดอย่างที่เราพูดเลยเหมือนกับบางทีพ่อแม่บางคนสอนลูก นะเราก็ว่าเราพูดดีแล้วนะพูดถูกต้องพูดจริงแล้วก็พูดสุภาพกับเขาด้วยนะแล้วก็ถึงเวลาที่ควรจะพูดด้วยแต่ปรากฏว่าลูกนี่ไม่เอาเลยนะเขาเขาแบบว่าเนี่ยเนี่ยความคิดเห็นต่างกันมากเขาไม่รับอันนี้เราก็พูดอยู่นั่นนะล้วก็ยังจะพูดยังจะพูดอันนี้เราไม่มีประโยชน์พูดไปแล้วก็มีแต่ อะไรผลเสียมากกว่าที่จะเกิดผลดีอย่างเงี้ยถ้าพูดเวลาจะไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าพูดดีกว่านะกลับกลับจะไม่ไม่ดุนแรงหนักกว่าเดิมอ่ะอันนี้สี่แล้วเอาข้อสุดท้ายถึงจะถึงจะเมตตาธรรมมาเชื่อว่าถ้าใครเนี่ยพยายามเอาไปทบทวนแล้วไปฝึกให้ดีคือถ้าฝึกให้ดีนะ่ะมันจะมันจะขึ้นใจเลยขึ้นใจหมายถึงว่า มันเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆของเราแล้วมันจะจำได้เลยจริงเราอาจจะจำเอบางทีจำคำพูดทีเดียวไม่ได้แต่โดยพฤติกรรมโดยการกระทําเราเนี่ยเราจะจำได้แล้วบางทีเนี่ยมันมันพอจะนึกออกคร่าวๆออมาได้แเพราะฉะข้อสุดท้ายนี่ที่บอกว่าเราก็ต้องติด้วยเมตตาซึ่งอันนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่บางทีจะไปติใครเขาส่วนใหญ่เลยนะ ถ้าเป็นทั่วๆไปที่เห็นเนี่ยบางทีจะไปตีใครเขาเนี่ยตีเพราะไม่ชอบใจใช่ไหมส่วนใหญ่อ่ะที่ไปตีเขาเนี่ยตีเพราะไม่ชอบใจแต่ถ้าเป็นปกติธรรมดาเนี่ยเราไม่ตีใครเพราะอะไรเพราะกลัวเขากลัวเขาไม่ชอบเรากลัวเขาไม่รักเราเราเลยไม่ค่อยจะไปตีใครเออจริงๆเลยประเด็นเนี้ยสมัยก่อนนี่อาตมาบอกได้เลยถ้าไม่มาอยู่อโศกเนี่ยอาตมาไม่ค่อยตีใคร จะว่าก็ว่าไปเลยอ่ะอันนั้นไม่เรียกว่าตีนะนั่นคือว่าก็ว่าไปเลยอ่ะอืมคือเรารู้สึกไม่ชอบใจแล้วก็ว่าไปเลยแต่ถ้าโดยปกติแล้วไม่ตีอ่ะเพราะรู้ว่าติไปแล้วก็พูดในสิ่งบกพร่องเขาอ่ะพูดในสิ่งไม่ดีของเขาอ่ะถ้าเอาจริงๆเขามันส่วนใหญ่ไม่มีใครเขาชอบหรอกยิ่งถ้าเราไม่มีศิลปะในการจะตติเพียงพอนะ ไปแล้วก็มีแต่เขาเกียดเราเขาไม่ชอบใจเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะแต่เดิมเนี่ยนะอาตมาไม่กล้าติคนบอกตรงๆเลยไม่ติคนเพราะอะไรเพราะมีความคิดอยู่ว่าก็อยากให้ใครๆรักเราทั้งนั้นนะเราก็ไม่อยากให้เราไปเป็นศัตรูกับใครหรือว่าใครมาเป็นศัตรูกับเราเพราะฉะนั้นไม่กล้าติสมัยก่อนเนี่ยฟังเทศพ่อท่านกลัว กลัวพอรู้สึกโอ้โหเท่แบบนี้ตายตายตายแน่จริงจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นนะแต่ก่อนคิดอย่างนี้จริงๆเลยสมัยก่อนเนี่ยโหฟังเทสพ่อท่านนะยุคยุคเก่าๆอ่ะนะยุคนานแล้วคิดในใจเลยเล่าให้พวกเราฟังบ่อยอยู่คิดในใจจริงๆว่าพ่อท่านจะไปรอดได้สักกี่ปี่งคิดอย่างนี้เลยนะนี่นี่พวกคุณก็ไม่เคยฟัง เทพเก่าๆนะสมัยบุกเบิกบุกเปิกหน่อยโอ้โหถ้าคุณฟังแล้วก็เข้มข้นหนักหน่วงโอ้โหวันนี้อีกเยอะเลยน่ากลัวจะไหมก่อนฟังแล้วรู้สึกกลัวอันมาถึงถึงเคยคิดอยู่ในใจก็ฟังแล้วก็ยอมรับนะในเหตุผลในความถูกต้องที่พ่อทันเทศยอมรับแต่กลัวคิดอยู่ว่าเดี๋ยวดูสิดูสัก สามปีดูสักห้าปีดูสิว่าพ่อท่านจะอยู่ได้ถึงหรือเปล่าถึงแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอยู่ถึงก็ค่อยน่าจะมามามาสัมผัสมาเข้าหมูเข้าพวกอะไรบ้างรอดูจริงๆเลยเพราะว่าโอ้โหฟังพ่อท่านเทศสมัยก่อนค่อนข้างมีความรู้สึกว่าไปไม่รอดขนาดอาตมาก็ไม่รู้นะว่าเ่อที่พ่อท่านเทพไปแล้วเนี่ย ที่อื่นเขาจะเป็นเทราสมาคมหรือจะเป็นพวกที่เขาไม่ชอบสไตล์พ่อเนี่ยนะจะดูเดือดขนาดไหนนะ่ะอาตมาไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าฟังเทศแล้วเนี่ยก็กลัวแล้วกลัวว่าจะไม่รอดมันมันเป็นความรู้สึกเองเลยแต่ตอหลังเนี่ยแหละพอมาอยู่อาโศกแล้วเราถึงจะเออค่อยค่อรู้ค่อยคเข้าใจว่าโดยปกติคนเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ดีเองเนี่ย หายากบอกคุณได้เลยปล่อยให้ดีเองหายากส่วนใหญ่ต้องโดนดุโดนดา่าซะบ้างดนไปซะบ้างแล้วเออแ็มค่อยๆดีขึ้นทีละนิดเทียดหน่อยขนาาโดนดุโดนว่านี่บางทียังไม่ดีง่ายๆเลยนะนี่นี่นี่พูดว่าโดนดุโดนว่าเท่านั้นนะแต่บางคนเนี่ยใช้แค่ดุแค่ว่านี่ยังไม่สําเร็จเลยใช่ไหมต้องตีโอ้โหต้องใช้ไม่เลียวต้องใช้อะไร ขนาดบางคนใช้ไม่เร็วตีแล้วยังยังไม่ดีเลยยังยังแก้ไขปรับปรุงตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าถึงขั้นตีแล้วยังเอาไม่รอดอีกทำไงทำไงฮะโอ้นั่นตัดทางปล่อยวัดนะ่ะมันแหมมันสุดท้ายแล้วอันนั้นมันสุดท้ายสุดแล้วอันนี้ถ้าตีนี่ยังไปไม่รอดส่วนใหญ่เนยนะถ้าคนไหนเนี่ยนะขนาดว่าพ่อแม่ว่ากล่าวหรือว่า ตีแล้วเนี่ยหรือครูบาอาจารย์น่ว่าก่าวแล้วตีแล้วเนี่ยแล้วยังเอาไม่รอดเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจดีขึ้นมาได้ส่วนใหญ่เพราะอะไรละ่ะก็รู้แล้วแหะต้องไปเจออะไระถึงขั้นไหนจริงๆเนี่ยมันก็จะไปเจอคุกตารางก่อนพวกนี้เจอพวกเรียกว่าเขาใช้กฎหมายบีบเลยคนนี้เอาุณยังทำไม่ดีคุณทำผิดกฎหมายกูอะไรเขาจับติดคุกติดตรางเขาเล่นงาน เาจะโดนอย่างงั้นะหรือโดนคนเขาอัดให้มั่ง mm. เขาซ้อมให้มั่งอะไรอย่างเงี้ย mm. ใช่ไมพอไปเจออย่างนั้นแล้วก็ถึงเออค่อยรู้สึกสำนึกตัวแล้วค่อยปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาได้ mm. เพราะว่ากลัวโดนอัดกลัวติดคุกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้ดีเองไม่ง่ายนะจะต้องมีบรารมี มีการสะสมคุณธรรมความดีหรือว่าสํานึกของตัวเองนี่มากพอนะคุณคุณถึงจะมีบา ร, รมีอย่างนั้นน่ะถึงแม้สอนตัวเองได้แล้วก็โอ้โหปรับเปลี่ยนหรือแค่คนติคนว่ามาโ อ, อ้ลูละลูละแล้วก็ปรับเปลี่ยนเลยนะสองประเภทเนี้เป็นคนถือว่าชั้นยอดหน่อยคือสามารถติตัวเองได้ปรับเปลี่ยนได้นี่ยอดที่สุด หรือลงมาอีกขั้นก็คือว่าคนอื่นเขาติติงเตือนแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนละอ่าอันนี้อันดับที่สองส่วนลำดับที่สามก็ดูเนะี่ยต้องโดนตีโดนเล่นงานโดนจับไปติดคุกติดตารางอะไรยงเงี้ยถึงจะยอมปรับเปลี่ยนนั่นถึงจะเป็นพวกประเภทที่สามเพราะอันเนี้ยนะถึงถึงฝากบอกพวกเราว่าว่าเรื่องที่จะให้เราเนี่ย หนาหัดรับลูกคำตําหนิคาอะไรนี่ต้องฝึกจริงๆไม่ง่ายเลยนะเผลอไม่ได้อย่าติามาเองเนี่ยบางทีนี่ใครเราบอกแล้วอยากจะไปให้ใครมาติเราไม่หรอกเราก็พยายามทําตัวเราให้ดีระมัดระวังพยายามรอบคอบทําใ ห, นหน้นั่นทําให้นี่ก็คิดหัวคิดหางให้ดีนะดูตน้นดูปลายให้ดีทําไปแล้วจะได้ไม่เสียหาย ไม่มีคนมาติมาว่าเราบางครั้งเนี่ยเราระวังระวังระวังตัวอยู่เรื่อยนะให้มันอยู่รอดปลอดภัยไม่โดนบอมไม่โดนลูกกระสุนที่ไหนวิ่งเข้ามาเอา้าขนาดว่าเราพยายามระวังอย่างเงี้ยกูรู้ไหมว่ามันมีเหมือนกันอาจามาเคยพูดให้พวกเราฟังบ่อยว่ามีมหาปรนาอยู่ปีทึ่งะอาจารย์มาก็ได้กลุ่มทรัพย์อ่ะเพื่อนสมณะด้วยกันให้มาบอกว่าเนี่ยโชคร้ายนะ ที่ไม่ค่อยได้ขุมทรัพย <ت. น์นี่ขุมทรัพย์นะขุมทรัพย์ที่ให้มาวันเนี้โชคดายนะที่ไม่ค่อยได้ขุมทรัพย์จากใครซึ่งอันนั้นน่ยก็หมายความว่าระวังเราให้ดีนะคนที่ไม่ค่อยได้รับขุมทรัพย์จากใครเนี่ยก็บางทีไม่ค่อยได้ฝึกลับลูกคนที่ยังมีกิเลสอยู่นะเรายังมีกิเลสอยู่แต่เราไม่ค่อยฝึกลับลูกเลยนะมันเหมือนกับเราคอยระวังป้องกันตัวเราหมดเลยนะเพื่อที่จะแบบว่า จะได้ไม่มีใครมาเติเราได้เพราะนั้นคนนี้ก็เลยว่างเว้นจากการหัดรับลูกเพราะบางทีเนี่ยเจอแค่ลูกเบาๆเท่านั้นเอง เ, เนี่ยนะเขาเตะเข้าโกเนี่ยนะเขาเตะใส่มาเนี่ยบางทีเนี่ยก็เตะเบาๆเท่านั้นเองอ่ะแต่เรานี่มันมันว่างเว้นมานานนะไม่ค่อยได้ฝึกรับลูกโอโ้โหบางทีเจ็บหนักนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยได้ฝึกเพราะถึงบอกว่าอันเนี้ย ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้องเตรียมใจไว้เรื่อยๆฝึกเลยส่วนใหญ่เนี่ยพอโดนปุ๊บทันทีเลยอะไรเกิดขึ้นก่อนบอกแล้วคนโดนตีเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก่อนเลยนะความคิดต่อสิคิดยังไงคิดอารมณ์เป็นยังไงเออไม่ชอบเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเลยคุณทั้งคุณจะคุณจะรู้ว่านี่คือสภาวะจิตพอโดนตีบับ๊บไม่ชอบใจขึ้นก่อนทันที คุณจับทันไหมตอนนี้ฮะถ้าคนที่มีสติแล้วก็ฝึกฝนมาจะจับได้ว่าไม่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยจะแรงแค่ไหนอยู่ที่คุณฝึกมาดีไหมถ้าคนนั้นฝึกมาดีเนี่ยเรารู้ตัวแล้ววันนี้ขึ้นแล้วนะอารมณ์เริ่มขึ้นแล้วนะความไม่ชอบใจเกิดขึ้นถ้าคุณมีสติรู้ตัวอยู่ สติคุณจะรีบมาทันทีเลยนะมันจะมาเตือนเราแล้วมาบอกเราว่าเอ๊ะตอนนี้ไม่ชอบใจแล้วนะโดนเขาตินี่ไม่ชอบใจแล้วนะอันนี้อารมณ์ไม่ดีนะอารมณ์กิเลส น, นะความไม่ชอบใจความปฏิฆะความอึดอัดขัดเคืองการถือสาอะไรพวกนี้นะเกิดขึ้นแล้วพอรู้ปั๊บเอ้านี่มันไม่ดีนี่ไออารมณ์อย่างนี้ไม่ดีคุณจับได้ทันนี่นะแล้วคุณรีบปรับแก้เลยบอกอ้า ก็ไหนว่าคำำํำตำหนิก็เหมือนกับขุนขุมทรัพย์มีค่าไงตอนนี้ทําไมนึกว่าเป็นลูกระเบิดไปซะแล้วใช่ไหมมันจะรีบมาเตือนสติแล้วรีบบอกเราถ้าเราปรับได้ทันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขุมทรัพย์ทันทีเลยความคิดเรานี่จะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะจากความรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะหรือกําลังเริ่มเกิดขึ้นนี่ มันจะปรับเลยทันทีปรับกลายเป็นความยินดีเพราะถ้ามีคนเอาเอาทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณ น, นี่ปฏิฆะไหมรู้สึกไม่ชอบใจไหมเอามาให้ทําไมนะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ้าคนเอาของมีค่ามาให้คุณคุณก็แหมดีสินะมันจะยินดีว่าเนี่ยถ้าเรารีบปรับจิตตั้งแต่ถ้าใครวเนี่ยนะใครฝึกมาดีเนี่ยวัย ตอนใหม่ๆเนี่ยแทนที่จะรู้สึกเป็นระเบิดไปอะไรนะพอมันจับได้ปั๊บปรับป๊บแทนที่จะเป็นความไม่ชอบใจดิมันกลายเป็นความยินดีได้เลยแล้วจะพอใจในในการโดนติโดนว่านั้นไม่ใช่พอใจที่โดนด่านะแต่พอใจที่เออที่เราปรับจิตของเราได้แล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เ้าติต่อให้เ้าตีผิดด้วย เขาตีผิดแต่เรายังพอใจได้พอใจตรงไหนเนี่ยที่เขาติมาผิดเนี่ยพอใจตรงไหนได้พอใจที่เราเนี่ยเออรับลูกได้แล้วเราก็ทําใจได้แทนที่จะไปโกรธไปเกลียดเขาเ อ, อ้ยเราไม่โกรธเกลียดเนี่ยนี่แสดงว่าเราใช้ได้ล้วเรารับลูกเป็นและวไม่มีผลกับเราคนมาติมาด่าเราเนี่ยเราไม่โกรธเออแสดงว่ากิเลสตัวนี้นี่เราเราเริ่มทําให้มัน ลถละจางขายได้มันจะกลายเป็นปิติยินดีเลยมีความสุขเลยแต่ระวังนะเขาตีเอาเขาว่าเอาแล้วก็นั่งยิ้มระวังนะเขายิ่งไม่ชอบใจใหญ่เลยครนนี้ออออืมเหมือนยอดเย้ยเขาระวังให้ดีด้วย <c ười> นะอันนี้ถ้าเราเข้าใจได้แต่ถ้าใครไม่เก่งเนี่ยนะมันจับไม่ทันหรอกมันแค่มีสติรู้รู้ว่าไม่ชอบใจ น่าแต่ปรับจิตไม่ได้ยังปรับไม่ได้ถ้าถ้าไม่เก่งนี่นะมันปรับไม่ทันหรอกมันเกิดแล้วมันก็คุณก็เริ่มปรุงละเริ่มปรุงความไม่ชอบใจตีอย่างนี้ฉันมาทำไมอาละเหตุผลเริ่มแล้วนะเหตุผลของความไม่ชอบใจอันนี้เป็นปฏิกิริยาของกิเลสคนที่ใครมาตีมาว่าเรานี่มันจะโต้ต้านแล้ะปฏิกิริยาจะต่อต้านทันทีวันเหตุผลต่างๆที่ขึ้นมาคราวนี้จะเริ่มแนละ้วจะเริ่มคิดที่จะ สู้เขาอย่างไงเอจะแก้เผ็ดเขายังไงจะจัดการเขายังไงบ้างจะโต้อตอบเขายังไงมันจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเี่ยถ้าใครไม่เก่งจะมันจะเลยมาอย่างนี้มันเลยมาถึงขังน้นนี้ถ้าไม่รู้ตัวเนียมันก็เลยแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆจนถ้าถ้าคุณไม่สามารถควบคุมไว้ในจิตคุณได้แล้วมันก็จะล้นออกมาทางปากมันจะล้นออกมา น่มันจะไหลออกมาเหมือนลาวาไหลออกไหลออกจากปากป่องภูเขาไฟนะลาวาร้อนๆ <c oughs> ไหลท่วมคนนี้ใครอยู่ใกล้มังอ่ะมันก็จะท่วมคนนั้นตายละเนรนาฏหมดน่มันก็จะเป็นอย่างเง้ยแล้วเป็นยังไงคราวนี้มันก็ออกไปทางวัญีกรรมนะถ้าใครที่ควบคุมไม่ได้อ่าว่า หลุดออกมาเป็นพฤติกรรมแต่ยังพอควบคุมได้เนี่ยก็ยังไม่เป็นคําหยาบออกไปแต่จะเป็นเหตุผลที่เรานึกโต้ต้านเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่พูดเถียงออกไปอันนี้จะแค่เถียงนะแค่เถียงแค่โต้แค่แคัคดค้านนะย้อนแย้งกับเขามันจะออกไปลักษณะ น, นี้แต่เรารู้แล้วนะว่าเราไม่ชอบใจอ่นะเหตุผลกับพุ่งออกไปพุ่งออกไปพุ่งออกไ ป, ออกไปแต่ยังไม่หยาบยังไม่ใช่ภาษาหยาบนะยังเป็นคําสุภาพได้อยู่ อันนี้แสดงว่ายังยังคุมวจีกรรมได้ขนาดหนึ่งแต่ถ้ายิ่งกว่านี้ไปแล้วคนนี้ยังโอ้โหระงับอารมณ์ไม่อยู่นะยิ่งพูดยิ่งเถียงเขาแล้วก็โอ้โหยิ่งเจ็บใจนะยิ่งเจ็บแค้นขาอนี้เนี่ยเพราะว่าเผลอๆเถียงสู้เขาไม่ได้อ่ะหรือเถียงแล้วเขาก็ไม่ยอมอ่ะเมื่อเขายิ่งไม่ยอมเราก็ยิ่งต้องเสียงดํายิ่งหน้าแดงใช่ไหมยิ่งคําพูดก็ยิ่งรุนแรงหนักขึ้น ยิ่งหยาบหนักขึ้นนี่แหละว่าถ้าใครเนี่ยถึงขั้นหลุดออกมาทางบาจาที่หยาบคายแล้วให้รู้แต่ว่าโอ้โหสำหรับชาวเราก็ถือว่าแย่แล้วนะถือว่าอันนี้นี่แสดงว่าที่เราถือศีลมาปฏิบัติธท ร, ร ม, มาเนี่ยโอ้เรายังจับจิตไม่ค่อยเกง่งแล้วปล่อยหลุดออกไปถึงขนาดนี้นี่มันมันแย่แล้วของเรานี่เราถือว่าหลุดทางวัจีกรรมที่โกรธโอ้โห ภาษาหยาบๆออกไปนี่แย่แล้วนะเราถือว่าแค่นี้ก็หนักแล้วไอ้ยิ่งถ้ามันหนักกว่านี้เนี่ยมันคราวนี้มันไม่แค็งผูนแล้วแหละมือไม้ออกละอันนี้หยาบที่สุดแล้วในหมู่พวกเราซึ่งน้อยรายแล้วนะอันนี้อันนี้จะเหลือน้อยคนแล้วมีบ้างเหมือนกันแต่น้อยรายซึ่งส่วนใหญ่ถ้าถึงขั้นนี้นี่มักอยู่กับพวกเราไม่ได้แล้วถึงขั้นหลุดเป็นกายกรรมออกมา